ความจำกัน้เาเกดหน้าหัวก็พูดที่ว่าความคิดถึงพี่เวกันความคิดถึงกันนี่คือพวกที่อาวเอยอวบนมาที่ใดที่ช่วยเหลกันให้พ้นไปจากปัญหาคือความรักกันจริงจัง มีปัญหามาช่วยกันไม่ถือว่าลากกันก็ผู้ชีวิตกับลูกยามีมิตรทุกคนทืน่นคือทุกคนเราทุกคนท่านคือสุขของเราถ้าท่านเป็นคนมีความผิดก็เราก็มีความผิดเพราะไม่ได้บอกได้สอนเราจึงอยาให้บกอกพวกอาที่เราเป็นมิตรกัน ว่าพวกเราเป็นบ้า น, นสาธทรข้อบกลัวใหญ่นัอนจะเป็นววมก็หลับประเทศที่ลงงังอักเีบคือเื่อครั้งเราจะมีกลัวที่หลักสี่คือเราจะพยทยามที่ททะจะปลอดกลับมาชีพพงไม่ได้ เราไปคัดท yeah, hey <Okay. S 1> sure ี yeah, ่บ้านได้เนบ้านแล้วก็อยู่ครอบครัวเราถ้าไม่มีครอบครัวไปคัดเตียงเพลย์ได้อันนี้เราเป็นครอบครัวอยู่แล้วเรอยู่ร่วมกันเราเราอยู่ร่วมกันไม่ใช่อยู่ วนันสองวันปีสองปีสิบปียี่สิบปีไปร่วมวันถึหลอดชีวิตมันเป็นสัญญาณสัญญานในใจเราที่สองพ่ออยู่ที่นี่สองสิบสามปีแล้ก็มีสัญญานในใจมีเพื่นใเมตเคยจุกเคยทุกร่วมกันแต่มไม่ร้จักเอ่ กรรมไม่ร้ลืมกรรมดีก็เป็นกรรมตอนชั่วก็เป็นกรรมบางคนที่มาเล่นถ่ายเอกกรรมดีๆเป็นเล่นชีวิตเราไม่มีเกณฑ์ชีวิตไมมี่ยวเกณชีวิตรวมถึงขอถูกยึดของคนเนี่ยไม่ไปโรงเรียน เคยตรวจเรื่องเดือนกับคณะกรรมการเขาก็ไม่เชื่อชีวิตที่มันต้องผ่านอะไรบ้างไปตรวจวัดต่างๆก็ไม่เชื่อชีวิตมันมีอะไรบ้างหลังคขามาตรวจเขาเลือกการปูป่าดีเด่นเขาก็ไม่เชื่อชีวิต เราก็ได้เคยได้รู้ดีเด่นที่นี่ว่าเหรือเราบรียนเจนงดีเด่นสำหรับเรก่องก็มีเฉียงที่วัดบอกถึงผ่านเลยว่าชีวิตเราก็มีเจียงที่วัดเหมือนกันวัดตรงไหนอ่ะเราหลงรู้เร่านได้ถ้าเราทุกขรู้ผ่านได้ อะไรที <consistency. S 2> ton, ่นั้นเกิดขึ้นแค่มาใช่ความรู้ผ่านมาถึงความรู้เรือเนีเป็นเกณฑ์สาบุญที่เจมืนเกรเรียนเจณฑ์วัดเจณฑ์ปป่าเกณฑ์สนเดือดริ้วเป็นเจณฑ์สาบุที่มีอยู่เหมือนกันทุกคนทุกคนมีความรู้ทุกคนมีความหลงแต่ว่าเฉลยไม่เป็นต้องมีต้องมีเจณฑ์ที่เฉลยเฉลย มันหลงเพ่อให้เราเฉลยมันทุกข์ให้เราเฉลยเหมือนปัญหาต่างๆที่เราสอบผ่านวิชาการต่างๆแต่ตตตไม่ช่วยไม่บอกให้เราเฉลยลงดูต่างก็ถามว่าข้ามีความข้ามปัญหาก็าสร้างข้านขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าจึงผู้ดหา ย, ยากคนหา ย, ยาก ไปที่ไหนบ้านใดมีแต่คนรนโลกทำไมพู้เจ้าจึงบว่าลูกคนถ้าดรียกาจะไม่มีมเปียนยิ่งอยู่เพราะหัวเตอนี่าเขาข้ามว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเออเราก็ค่อยตามแบบเออบังไม่คม่อยอยากนะแตบ้านไหนโน่ก็มีแต่คนคนี่วัดหนึ่งมีแต่คน ประเทศไทยก็หกสิบกว่าล้านคนทำไมยุ่งว่าหายว่าหาไม่เจอแต่คนจะาม่ไม่เปลี่ยน <c oughs> น, นี่ก็อยู่เราชี้จังงานเอาอะไรมาชี้ให้ตรงนี้ทำไมยุว่าหายว่าไม่คิดเลยทไมยุ่งวาหาว่าจังม่หรือไม่ <c oughs> ไมไมมแต่คน ไปไหนทำหนทางจนรดชนกระทบคนเนี่ยพราเราเจอว่าหาได้แต่เพราะบุคคลหารด้ยากมีลักษณะสองอย่างคือหนึ่งบุพกาลีบุคคลผู้ทำบุกาละก่อนมีคนทำควาดีไห้ก่อนตังก่อนให้เราเราจะเจอเราของเรา พอแม่พ yup, ี่เนาะพ่อแม่ของเราครูอาจารย์ของเราที่สั่งสอนเรามาครูอาจารย์เป็นครูอาจารย์ท่านก็บรงบูรณ์สอนท่านมาถึงที่ทาความทุกคนยากอดท่านอดทนมาจนได้เป็นจย็นประวัตผ่านมาได้ไม่หายยากหายยากมีใครบ้างท่านอิริยามันดากูอาจารย์โอชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ทำเมื่างก่อนที่เรายังไม่รู้จากอะไรแล้ว่างคิดกองเราน่ยถ้ามองดูชวิตเราจริงๆนะอะไรไม่อยู่ในนิหวดมองด้านในดูเห็เจริสุขสนในรูปแบบสุขสนในกายในใจเข้ามาเช่นกันว่าสุขสนในธรรม ไม่วันเะาทำรู้จะให้รูปมันหลับซะจะให้เป็นหนึ่งเดียวมันฟุ้งซ้านซะเรื่องข้องอนนี่ก็รู้สึกรู้สึกมาแล้ังเดสงสือแบบรู้มีไหมในเรานะี่ยแล้วมันสอนไงก็สอนจนมันเชื่องนะ่ะก็ถูกสอนจนมันเชื่องไนงะใครสอนเราสอนเรา เรืมันหมดยศนะทำไมจะว็หายากมันหายากยังไงคนที่สอนตัวเองจนหมดขยศบมดยึดนะสองเกาะตันดูก็แต่วิธีบุคคลผู้ตอบแทนบุญคุณผู้ทำความดีไม่ให้ฟังกนแต่งว่าเราเป็นน้ยความดีของคนล้อยคนแต่น้อยเรามีจีวรต้องหมวพระพุทธเจ้า ที่ไว้ใจ่ก็เพราะพระพุทธเจ้าเราเมื่ออ่านการ์ิชนก็เพราะพระพุทธเจ้าถ้าเราพอเมื่อเมียเยอะมีโยมเมื่นคนได้มาช่วยเราอยู่ไม่อยู่ที่นี่ก็มีคน ช, ช่วยเราอยู่ผู้รีชวิจารเพื่อเราหยุดหลายอย่างอาถอถ้าตอบแทนเขาโดยเราทำํำไมเราต้องทำตัวให้เป็นคนดี ตอบแทนผู้คนที่เราเป็นคนดืไม่เป็นคนชั่วไม่เคยเดือดร้อนไม่คุ้มค่าเข้าสู่ดังแยงเสื้อผาผ่อนยิ้วของที่ผู้คนทําให้เรามได้เช้ได้ถ้ามันคุ้มค่าให้เป็นเกณฑ์ในหนังแล้วก็พยายามที่จะให้มีเกณฑ์ที่วัดในตัวเราไม่มีปัญหาควรนอนก็นอนมีปัญหา เป็นเนชีวิตล้วทำอะไรทำอะลรสงสัยทําะไรความิกกังวลเศร้าทํางารกรรมะปฏิฆะมาแล้วที่เกิดขึ้นโอกาสเป็นสุขโอกาสเป็นทุกข์เอาเวขนามาเป็นสุขเอาเวทนามาเป็นทุกข์เอาความโลภความโามงว่าเป็นตัวเป็นตน อาคนว่าอะไรอาวอนว่าเป็นตัวเป็นตน้นครับเชื่องใจว่าเป็นตัวเป็นตน้นไม่สบายกายไม่สบายใจว่าเป็นตัวเป็นตน้นนี้จะมาจนอยู่จนยังไงเจอเรื่องนี้เข้าที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนไม่มีใครผ่านเรื่องนี้เลยลพระเจ้าผ่านมาจะได้บอกว่าหลวงปู่เขาอันขั้นจิตลูกแรกมาให้บรรลุควางามความดีมคืออะไร ที่วันเาทำขวางกันสร้างตัวลูกงงันจ้อาจจะให้ความโน้มย่อมความรู้สึกตัวอ้าวมันก็ซากล่เดินไอื่นเลือสงสัยถูกผิดเอาผิดเอาถูกป่ะเอาเหตุเอาผลบ้างเอาตัวเอาตนเป็นมันปลุกตันเป็นใหญ่อาตาที่ประตัย อะไรที่เราชอบกันมาเราตัดถึงนกประทามความคิดของตนหาคำตอบสังคมคิดอย่างนี้มันยากไหมเ ว, ว่าปฏิบัติธรรมในตัวในตนเต็มที่ถ้าผิดก็เราผิดถ้าถูกก็เราถูกเราได้เราได้ได้ไดอานอย่างนั้นเราสู้ <laughs> ตัวมตนตน <laughs> นี่เห็นว่าต้องผ่านไป โอ้ภูเขาก็จิตไม่รูลุวามงามขอดีถ้าเขาเดินทางเพื่อศึกษาเรีนเตืนต้องเจอปัญหาเรื่อนี้เหมือนกันหมดการเมตทะปฏิฆะมานะทิฏฐิออกมาเป็นกลุ่มเป็นค้อนมาต่อสู้ก็ให้เรารู้สึกตัวเวลาเราลุกอาความหลงมาใส่เวลาเราลูกเอาควทุกข์มาใส่เวลาเราลุกเอากวาม แล้วขอ ง, งอทัอทุบถวนมันเปิดมันเปิ่นเลยมาเอามาใช้แตด้งสฝนทางให้หลวงให้เลียงและเราจึงนั่นเจยเราเราปฏิบัติการที่ทำให้เห็นอะไ้มามาใช่เรื่องเรื่องยากอะไรแล้วจากเรื่อง เกี่ข้องให้มันถูกต้องด้วยความดิ่งหวัดนจะก็ะุกกระเพืจะบ้ววอมผลผนดูให้ดีๆวันเราไปดูคนปวดดูคนปวดต้องดูดีๆมันเป็นยงไงขึ้นเด็กมันชักขึ้นมามันกระเลยขึ้นเด็กขึ้นไปชักจะนุาน เพื่อจะให้ข้อมูลของหมอหรือข mm ้อ hmm. มูลของเราที่เขาเปี่ยวกับคนป่วยเมืเราให้ข้อมูลถูกต้องหลังเล่าป่วยหมอเขาหาข้อมูลจากเราหาค้นถามจากเราเราต้องพูดให้เขาฟังหมอก็เอาข้อมูลจากเราไปวินิจฉัยั่าเป็นโรคอะไรก็ถูกต้องเราก็เหมือนกันบางทีข้อมูลที่เรานะ มันข่เป็นงเรื่องดีอย่าไปทิ้งอย่าไปิ้งอย่าปเสือช่ในหัวข้ามันไม่ใช่ไปทุกทีเดียวตอนที่มันข้อมูลอื่นเช่นโกรธมันขี้ไปโกรธเลยทีเดียวมันมีข้อมูลอยู่มันทุกก็ามหมาเทีรจะไปทุกเลยทีเดียวสุดๆเติมได้ข้อมูลมีอยู่ข้อมูลคืออะไร ไม่ต้องไปหคาคตอบแต่เรารู้สึกตัวไปกาน น, น, นี้มันเป็นนัโน้นมาใช่ทานั่งนี่มันเป็นนั่นนี่วันไรจะปิดไปถ้าไปรูปคำที้หลอดไฟไม่ใช่มันมีที่ปิดร่างหลงมีทมี่พี่ดับความหลงรามาเชืเออ่อเบอรทูงหลงรามาชิดไม่เชื่อบอรทูของชิด ไม่เหมือ น, นกันจะไม่ลองตาปฏิบัติปไปใหม่ใหเพื่อนปฏิบัติด้วยกันเราเดินอยู่บนเขาเตี้ยๆอยู่บนสูงเพราะลมันเดินอยู่ต่ตําๆกว่าเราก็เห็นกันเดินกันไปกันมาเหมือนกันเราท่านนั่งแล้วก็เดินเห็นเอ้ยเสียงน้องเท่าโอ็ เป๊บเปปเนพระรูนเอางเท่าตีหัวเตีงเจะเอางเท่าตีหัวเตีองอาตัวมันชิดมันชิดอะเอบ้าเอาลองท่าหตีหัวเงมันไม่ชมันรู้เ่งเลยมันก็ดับเบิลชิดไปแล้วสต่อสาต่อไปแล้วมันไช่ใช่คำนั้น ถ้ามันคิดมากก็ยุ่งกระดาษมันต้องออกลองเท่ามาตื่อยุ่งหัวเราความคิดโดยตัวตัวพลิกไปขึ้นพลิกไปลงมันก็ไม่ง่ายมันยิ่งยากการเชื่อมมไม่ยากมันง่ายง่ถ้ามันยิ่งยากมันจะนิ่งแค่มันเป็น่ายเพิ่มของ่ากเข้าไปเรื่องเวลาทำว่าจะตีเยอะว่าจะเลาให้เชื่อไหม ถ้าเจอไรเชื่อไรไม่ได้ต้องใจดื้อของอยากต้องทําใจดื้อของง้าก็ต้องทําใจดื้อถ้าทำเหมนกันไม่ ไ, มได้เราเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราให้ถูกต้องจึงเปลี่ยนถ้าทือต่อยอดดังหลวงพ่อพูด มาผิดต่อยอดกป็นยุ่มาทุกต่อยอดเป็นความรู้พอเราจะมาไม่ใช่ก็ต่อให้เป็นคงรู้ได้ขนานั้นมันเป็นหลักสากฎอนะไนมันเป็นธรรมมันเป็นอรธรรมไม่มีวิสัยที่จะไเอาเหตุผลมาเฉลยปรารถนาไม่ได้มีแต่กางกระทํากรรมฐานอุย้ยมันยอดเยี่ยมจริงๆอยากให้เป็นชื่อกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมือง ว่าหน้ากรรมฐานสามีกรรมฐานภรรยากรรมฐานลูกเต้ากรรมฐานแม่บ้านกรรมฐานเรื่องกรรมฐานรัดกรรมฐานเกี่ยวข้าวโปะมันกรรมฐานให้กรรมฐานเต็มไปหมดแล้วเพราะมันเป็นความถูกต้องชัดเจนบ้านเือกรรมฐานกรมีที่ตั้งไม่จะไปถลายไปทางอื่นกวาดบ้างก็กรรมฐานล่างด้วยกรรมฐาน สักผ้าสักผ่อนกรรมฐานตื่ขึ้นมาลุกเก็บที่หลับตับที่นอนก็กรรมฐานตาหน้าแปรงฟันกรมนนกรมฐานเวลาตัวกรรมฐานใจใจก็ประเทศดเจ้าว่าสามนายวันเสือน่ะ แร้ถามหรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนภาษาตัวนี้นะมันก็ ห, หลายอย่างเยอะแยเพราะกรรมฐา น, นมันไม่ใช่จนเลยนะให้ทางออกอาบหน้าไม่ได้ก็ให้าจานนดอาบให้ตอนตื่นขึ้นมาคิดจะเชื่อเองโดวยวิธีใดต่างๆอาบน้ำมาจานนด เากองอาบอาบเมาขนาดไหนก็อาบอาบน่าก็ถูให้เป็นไจนถูให้เหนึ่งละความสาต้องหนึ่งมาก่อนอานน้าเพยายามเอาเข่เกูหัวมาน้คอแขนยาเอาเข่เกู้กู้กู้กู้กู้กู้กู้นี่มันจะไป เ่นแขเนี่ยกำลังจะดีแล้วพออาบน้าก็เกาตัวหัเกาไปตามตัวเกาโอ้ก็เขาทุกส่วนเลยเห็นหมอเขาตรวจตรงเนี่ยมันมีตรงนี้หรือว่าเก่าอะไรเขาบอกว่าตรงนี้กระดมในก้อนมะเร็งที่เก่ามันเก่าันอะเราอาบน้ำเกาแล้วโยมถามว่าเคยสอนน้องตาใไ้่เคยมาสอน มันก็มันก็เห็นว่ามันสมควรเป็นแังนั้นอาบน้าไม่มีใครบังคับมาอยู่นี่หนาวคนบอกว่าไม่อาบก็ได้ตอนเช้าบันดาลฮับก็่เลยนไรอ๋ย่านนบทีอย่านอนต้องอาบอะไรนะมันหนามันสบพานน่ะอย่านนก็เอาบทั่วๆก็เฉยๆเลยหนแล้วระจักษ์ทั้งเชื่อใจให้ดีร่างหน้าแรงฟันไว้สมบูรณได้ ถ้ผ่อนไ ม, ม, ม, ม่นอนหมอนมุ้งกางหมวกมุ้บปกก็เทอะไม่ได้แล้วเจ็ป่ยวยกาเจรทญทงไมไม่ไม่เหมือนเก่าขยันตัวเก่าแล้วป่วยขยันตัวเก่าแ่เจรก็ยขยันตัวเก่าไม่ใช่ขยันทางานอาบแดดอาบน้ำขยันช่วยเตียงเดินยังกง อ๋อน่าต้องนาทีละพันนาทีละร้อยก้าวได้ไหมนาทีหน่งไ่ร้อยก้านะถ้าเดินไมไ่รอยก้ามันเดินได้เพราะยงุงเทพมันมนไเหมือนยงวัดป่าสุตูนะเดิมกำหดว่ั้งเดินหน่อดไปเออาไว้นี่ไม่ได้ต้องแขงแขงเอ้ยนาทีหนึ่งไ่รอยก้าแล้ว ชั่วโมงหนึ่งหกันเก้าบาชั่วโมงขึ้นกเนึ่งเก้าเ็นช้อนนน้าทีเลข้างหนึ่งหนึงสองนาทีถ้าหนาทีอจะเด็กสี่ข้างอ่าไร่างในจังหวะพอดีใครยิบขวดเก่านังรถมากับลหลวงวุ้งกองหวุ้งนั่ ง, งหล ไม่เอาแตบบ่ไม่เอาเอาเบียดเบาหลังเอาก้นชิดเบาหลังให้หัวตนะัวนี้หลังว่าคนนั่งรถทางนี้ก็ไอ้เอาเอะไรเงี้ด่ากันมาตลอดทางนั่งไหมอยากนั่งรถจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่มาต้อตงหกชั่วมงถ้นั่งอีู่ท่านี้หลังหลวงพจะตรงนะทีเดียถ้าไปนั่งนี้มันจะหัวเข่าจะจดคางเลยนะบอกให้ก็ไม่บริหารเตือนนะมันจะไปตรอด เราคนเจแล้วหน้มา่คนหนุ่มคนสาวนะนั้นเราจึงใครบอกมันเป็นสัญญาลนธรรมชาติของเราเยอะเี่ที่เราจะช่วยตัวเราเฮ้ยโอดปลอดภัยจากบาลานต่างนอกจากความทุกข์ความโกรธโลกหลงแล้วมีเยอะๆเลยช่องทางเกมที่วัดของยืนเรานะี่ะความถูกมันเป็นความถูกความผิดมันเป็นความผิด มันสัมผัสได้ความดีความถูกไ อ, อ้กวัวอยู่นะบางทีคนตั้งใจธรรมะมากินอาจารย์เต่เาบอกว่าเราตั้งใจทํามานะมันก็กินไม่ได้มันใครบอกเ่ะเราก็มีความรู้สึกว่ามันกินมาได้อาจารย์เต่าให้ฉันนะั่โคเขาทํำนะั่งโคลให้ไม่ลง อาจารย์ต้องบอกว่านี่มันของดีแล้วดบออาจารย์ตุมั่งครับเวลาเราสอนอาจารย์ต้องไนหมดเป็นถ่วยเอ้าตมองบออาจารย์ต้มังครับมันคงจะแซบละมั้งอุดซ่าซ่าจังนะเนี่ยอะไรนันบางทีมันบางอย่าก็อายางคนอื่นบ้างไม่ใช่เอาตามตัวใจตัวเองถ้าไหนมันไม่เก่ง การพุนทุกข์การทนความโลกบโกรธโกรธไม่ต้องไปถามใครอย่างพระพุทธเจ้าตัดตรูเดียสัจจีทุกกํำหนดรูแล้วทุกได้กําหนดรูแล้ ว, ลลวได้ทำใมาแจ้งแล้วผ่านไปแล้วสมุทัยตป็นจีเรื่องรูก็กําหนดรูแล้วสมุทัยเป็นเหตที่ทำใม้แจ้งก็ทําแจ้งแล้ว มักก็ต้องดูให <ə começou> <ro> ้มันเจริญให้มันเจริญทำไปบ่อยรู้บ่อยได้ทําแล้วได้ขยันแล้วได้ทํามากแล้วมักนิรุตทำให้แจ้งไม่แจ้งทำใม้แจ้งกันมาเปลี่ยนเป็นความรู้ของหลงหวามหลงความรู้เป็นไงแจ้งความทุกความรู้เป็นไงแจ้งตังนี้ความเกลีกับความรู้เป็นไงแจ้งตรงนี้ ถ้าไม่แจ้งแล้วตังโกป็นตังทุกของอริสัจฉิตในพิเวกุเพสุอนุสุเตสุจักของอุทปฏิยานังอุทาปิวิชาอุทปฏิปัญญาอุาปติโลกอุทปติยานเกิดขึ้นแน่เจ้าเราปัญญาเกิดขึ้นแวิชาเกิดขึ้นแนเจ้าแสงสว่างเกิดขึ้นแล่เจ้าเราเราไม่เคยรู้เห็นมาก่อนไม่มีใครสอนแล้วโอสอนตวย มันมันเกิดขึ้นมามันเห็นแช้งเฮ้ยยังเกนอยเรียสเห็นแช้งชงัดที่สุดเลยพอเห็นไล้ชัดสีแจ้งแล้วเอาาคันนาไปอ่อนล่าของกดลักอาณาตาละการสูตรอนณาตตาละการสูตรกอ ตไม่เที่ยงเวทาไม่เียงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาไม่เทียงโตไม่ใช่ตัวตนเวทาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนปัญญาไมช่ตตนอามันเที่ยงไปเลยวะนี่ยสิ่ดไม่เที่ยงส้เป็นทุกข์สือเป็นทุกข์สิงนั้นไม่ใช่ตัวตนตัวตนสิดไม่ใช่ตัวตนควรหรที่ไปยิดว่าเป็นตัวเป็นตนประเภทขอธรรมาอัตตาประเภทธรมะติติ เป็นสังขาอันตาอ้าวความเที่ยงทันที่เป็นถูกอ้าเคยเป็นความฉลาดเกินเป็นมักเป็นผลขึ้นมาได้ความทุกข์เป็นมักเป็นฝนขึ้นมาเย็หน้ามือเป็นร่างมืยเย็นน่าเป็นดีได้ต่อยอดไปเลยไม่ใช่มาเป็นของเร็วเสมอไปของเร็วมาเป็นของดี ของดีมันเกิดจากของหม่ดีการทุกข์มันก็เกิดจากคงวามทุกข์ความสำราบก็เกิดจากความห่หลงมาแม้เป็นต่อยอดตรงนี้การปฏิบัติธรรมนั้นมันอยู่ที่ไหนใครเป็ข้อแสดให้เราเห็นเหล่านี่แหละเป็นตัวแสดงที่จริงที่สุดให้เขาครแสดงให้เราเห็นเด้ในได้จากตัวเรา เหนสภาพต่างๆโลกไปได้เลยอะไรเลยก็อยู่ที่จงมองหน้าใ น, นเข้ามาจงรู้จักตัวเองคำนุ่งไาถ้าคนพบเจ้าได้ในตัวท่านหางนอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกตัวบาดเจอเราอยากเขาไปไดอกบัวบินไปน่ในอันเด็กกุดเพื่อรดค้นหามาห้ได้ การตัดจะรู้รู้จริงได้ร่วนจากความรู้ตัวถัวเองเนันเด่นนี่จริงท่านผูรูท่านกล่าวว่านองนั่งมานองกลับเมื่ตาก็นองกลับมาวามนองไปขา้างหน้าเหมือนแสงใบจ่ายนี่หูก็ฟังเข้ามาได้นะตาก็ดูมาได้นะให้มันเจดท่อนซะว่า มันลอยสองกระจกเงากระหมาหะไม่เห็นตัวเรามันทุกข์ก็เงนกับหมาหะตัวเรามันหลงก็บางกรบหมาหะตัวเรามันโกรธบางกับหาตัวเรามันหิวตกกังวลจื่ตระหนังมองกับหมาหตัวเรามันจะได้คำตอบถ้าไม่ได้คำตอบจองก็ชโลชะลลงไม่หัวจีรพเมหะหาจหนักทม ชะลอได้หัวรถมืย อ, อันตรายเขาชะลอ้าลงชีวิตเราก็ควรจะมีเวลาชะลอป่ะด่วนรับด่วนไปเถิดด่วนสูบด่วนทุกค์เกินไปมนสติจะไม่สัญญารับย่างจังจิตตู้จิตต้นเลอกได้ไว้ก่อนเข้าเข้าทางไว้ก่อนจับเช่นทางไว้ก่อน ทางจากโรงเทศมาบางเลยก็ถามหมายเลขเลยเลขอะ <c ười> ไรประมาณั้นศูนฮะรนนที่เดินไมันมีแคงหมายนัดูก็ทางเสน่ห์ก็มาดูเลขจนวนแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องไปถามใคร อันทางคิดของเราเนี่ยแน่นอนก็นเด็กที่ไหนก็เป็นของลูกที่ไหนก็เป็นของหลวงวงลูกของหลวงมันเป็นอย่างไรมันต่างกันไหมอะไรเป็นทางขวากันแล้วก็สัมปะโตจะตัดกิเลได้เลยเป็นของลูกตัวสุดเองไม่ใช่ของใครสามเครก็ไม่ตด ใ้แต่คำตอบเอะไรเรื่า ง, งนั้นจงคู่ที่ฟังเขาได้ยินเอาไว้เวลาเราหลงอ่ะมันดีแล้วจะได้รู้เวลาเราทุกข์มันดีแล้วจะได้รู้เดิไปไอ่เหน็บพอใจไม่พอใจอย่างเราสวดสติปัฏฐานอาตตาติกายานุกายโยมิปเฉยวะระติ ีสติเห็กายในกายกา ย, ายืนประจอาตาปิดสัมชนันงสติมาเวาโรเชอภิชาตุมสังถอนความอใจและความไม่พอใจในโลกจะได้ความพอใจความไม่พอใจมันเป็นรสชาของโลกถอนลอกมาซะอันนี้เป็นคนพูดครอนคนถอนคือสตินั่นแหละมันมาใส่พูดมันมายากเหมือนกับผมพูด คำพูดเป็นโดนสมมติเป็นอยไม่รู้จอะเอาอะไรมาพูดนี่จะเอาสมมติมาพูดถอนมันคืออะไรก็เหมือนเอามไปถอนตอนก้าวตนข้าตนเจ้าขาเาพียงแต่โถเพียงแต่รู้สึกมีสติสัมชะมีสัมชะมีสติก็เลยพูดเป็นมีสัมชะมีสติตั้งเป็นคาถาล้วนๆเสี้ยวอัฐกาถาอนุอ่า ดีกาอุดีกาดีกาจึงทอนความพอใจในเกาะและความม่พอใจในโลกเสียได้เป็นดีกาเิดนดีกาไปถ้ากระดับดลุ่นไม่เข้าใจอย่างว่าอุจงกอย่างป ร, ริมของสะเอนอุปตะเตตะวามีสติปหน้าโลกไม่พอคาถาเท่านี้มีสติปัญญาโลกมันอธิบาย กำบันทุดิ่นอาถาเดีกาก็้อธิรเหมือนพระหีลาศุขู้มีสติเป็นเมยังไม่พออะนูดีกาก็ไปที่กิมุตตะกศเาเหมือนพระสีลาศุู้มีจเหมือคือไม่เผยไม่เผมันก็ไปเร่อไปถ้าคาถาลมโน่มันไม่เข้าใจเราจะมีดียกานีกาที่ิมุตตะกศ อไปไปอกกันไ ป, เ, นไปใในเรื่อยๆถอนความรำไและวามไมพอใจในโลกจะได้ถ้าพูดถึงคาถาเบื้องมีสติมีสำจะมีสติพอแล้วอา้าวมันหลงถอนไม่ความหลงรู้ตัวตัวได้ถอนไหมไม่ได้ถอนเลยพอหลงปับ๊บรู้ตัวตัวพอมัทุกข์ปั๊บรู้ตัวตัวแ้วมันโกรธรู้ตัวตัวมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ควมรู้ตัว เปรียเทียบลองดูมีสติเข้าไปมีสติเขต่อยอดทางนี้เลยว่าตรงปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมค ว, ค, สสควรใครพูดทำอย่างนี้พระสงฆ์เพราะสงฆ์คือใครคือผู้ปฏิบัติญาตโยมกเป็นสงฆ์่ะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรจ้ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ ยังว่า้องฝนจะตกพราเราก็เลิกกันเดี๋ยวฝนตกแล้วนะก็พระพ้อมกันนะ